بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين راقبة للمتقين ولا ع و ا ن ا إلا على الظالمين و ص ل و ص ل م على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وانتبعهم بإحسان إلى في الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آية ١٤ كن في ا ث ب ا ي ในส่วนส่วนมากแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วยังคงมีอีกเรื่องที่เป็นบทเรียนที่ควรแวะไปอธิบายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าสู่อายะที่3ามสซึ่งมันต่อเนื่องกันจริงสองอายะนี้เป็นสองอายะที่เป็นบรรทัดฐานสําหรับเรื่อง การทุจริตกดโกแล้วมันบังเอิญบังเอิญจริงๆนะครับแต่ละอาญาที่แต่ละสุราอาญาที่เราที่บ้านนีมันมันมันจะอีกับเหตุการณ์อะไรหลยอผมบอกกับพนผมผมจะรู้สึกว่าใครที่ใส่ใจเรียนรู้อัลกุรอานเนี่ยใส่ใจนะตั้งใจที่จะเรียนรู้อัลกุรอานเนี่ยเราจะให้เขาได้พบ ทางนํำในกุฎอ่านแน่นอนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เรามักจะตั้งคําถามขึ้นมาและคุฎอ่านและกุฎอ่านได้ช่วยแก้อะไรม้างล่ะในในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ในชีวิตของเราและกุฎอ่านไม่ได้ไม่ได้มาเป็นทางนําโดยบังเอิญมาใช่ไหมเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราโดยบังเอิญก็มาเจอเพราะุอ่านก็มีอยู่แล้วนะครับ แต่เราจะมาพบความกระจ่างของอัลกุรอานในสถานการณ์ต่างๆของปัจจุบันนะ่ะให้มันเป็นตัวพิสูจน์ว่ากุรอานนั้นมีชีวิตชีวาหมายถึยงว่ากุรอานมันมาสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีจริงเพราะคนมักจะมองกุรอานว่าเป็น เป็นคัมภีร์โบราณเป็นหนังสือเก่าแก่ไม่ทันสมัย่านสื่ารก็บวีนห่ืปัจจุบันนี่มันมันคนละยุคนละสมัยกันแล้วแต่เราก็จะพบทางนาของอัลกุรอานเนี่ยใน่ลายาที่เราได้ศึกษาหรือไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าเราค้นหาเนี่ยเราก็จะพบ ทางนั้นมันปรากฏตัวมันปรากฏตัวดังเดียร์ลสุฮาห์นหัวตาเาได้บอกคนนอัลกุรอานซา نريهم آياتنا في الأفاق وفي أفسيم حتى تبين لهم أنه الحق سَنُرِيْهِمْ رَوْجَهِ بَكَوْدِهِنَ آ ي, ا أ ى, آ ي َ <smoking rum complete> ا ت ِ ن า ا أ ُ ن ْ ك َ ا ن َ ك ُ م ف ي ا ل ْ ف َ ا ق ِในทุกซอกมุมของโลกในทุกภาคส่วน ในทุกมุมมองในทุกระยะสายตาจะให้องค์การของเราได้ปรากฏตัวอว่าฟิยัฟซิมเลนในตัวพวกเขาหัตต่จนกระทั่งให้เขาได้พิสูจน์เห็นว่าอันเนอุลฮักแต่จะเปย์นัลละห์อันเนอุลฮักให้เขาพิสูจน์ว่ามันประจักษ์ชัดแล้วว่าว่าองค์การนั้นนะคือสันธรรมที่มาจะม และอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ต้องการนะที่จะพิสูจน์คุณอ่านด้วยสิ่งเหล่านี้คือความเป็นจริงนะความเป็นศัจธรรมมันนะมันจะไม่เป็นสัจธรรมพราเราพิสูจน์นะอย่างเช่นเรามีน้ําอย่างเงี้ยมีน้ำนในคนในมาพิสูจน์หน่อยดิว่ามันเป็นน้ําหรือเปล่าคือมันเป็นน้ําอยู่ดีะนะถ้าตัวเองเฉยๆี่มันก็เป็นน้ําอยู่ใช่ไหมถ้าเราเฉ่ๆมันก็เป็นน้ําอยู่แต่เราจะพิสูจน์ให้ตัวเรา ว่ามันเป็นน้ำหรือหรือหรือมันเป็นอย่างอื่นพิสูจน์ให้ตัวเราให้เราได้เห็นให้มันประจักฏชัดสําหรับเราแต่โดยปริยายเนี่ยมันก็เป็นความจริงของมันอยู่แล้วกุณอ่านก็เป็นอย่างนั้นเป็นความจริงศัจธรรมแต่การที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมเนี่ยอันนี้เนีมีความชอบอัลลอฮฺอนุญาตอัลลอฮฺอนุญาตให้เราได้พิสูจน์อัลลอฮฺอนุญาตให้เราได้ตรวจสอบอัลลออนุญาตให้เราได้ ได้ค้นหาได้ศึกษาได้แต่เราอย่าอย่ารู้สึกคืึกขนอมเกินไปจนกระทั่งวางตัวเองว่าเราเนี่ยที่จะเป็นมาตรฐานของสัจธรรมหมายถึงว่าสัจธรรมความจริงจะไม่เป็นสัจธรรมจนกว่าเราจะประกาศออกมนานูอันนี้อันนี้เยอะแล้ว อ, อันนี้เยอะแล้วความถ่องตน้น นวเราเรียนศึกษาในตัวเชืว่ามุสลิมนะถ้าเราคนนี้ไม่ได้มุสลิมเนี่ยมันไม่มีบาปมากกว่าการที่เขาปฏิเสธศรัทธาอยู่แล้วฉะนั้นการที่ผู้ปฏิเสธานี่เขาจะมีความคึกขนองความเห็นแก่ตัวความรู้สึกว่าตัวเองใหญ่โตขนาดไหนนี่นี่มันจะเป็นบาปเล็กกว่าบาปการปฏิเสตานแต่สําหรับมุสลิมที่ผู้ศรัทธาอยู่แล้ว่นะ เราศึกษาคุตตานนี่พร้อมมารยาทที่สำคัญที่สุดเนีก็คือต้องท่องต้นอะไรที่เราไม่เข้าใจเนี่ยอุามได้บอกว่าอะไรที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราต้องมากล่าวหาความความโง่เขาของเราไม่ใช่ไปกล่าวหาว่าคุตอานี่ไม่ชัดพอคุตตานนี่ไม่ชัดกุตต า, น, านี่ไม่รอบคอบ ไม่เราต่างหากที่ไม่รอบคอบเราต่างหางที่ไม่เข้าใจสิ่งที่มันชัดเจนสมองเนี่ยก็เหมือนสายตาแหละสายตาบางคนก็ไม่ต้องใส่แวน่นนะมองแล้วเห็นชัดสายตาที่สดใสที่แข็งแรงก็เหมือนสมองที่สดใสแข็งแรงแต่ลองดูสายตาไม่ใช่วันตาดิมองเห็นชัดไหม แลวถ้าคนที่มองทสายตาไม่ดีแล้วก็มองบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> แล้วก็เห็นว่ามันไม่ชัดแล้วไปกล่าวหาสิ่งที่เขามองเนี่ยโ อ, โอ้มันน่ะมันไม่ชัดลืมว่าสายตาของตัวเองต่างหาที่มันเป็นเอาไว้ว่าสัมผัสนี่สมองกับสายตาก็คล้ายกันหูก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันควรป่วยรู้ไหม เขมหวานเปรี้ยวอะไรคนป่วยเนี่ยรู้เรื่องไหมกินอะไรนะรสชาติ เ, ไไ เ, เหมือนกันเคี้ยวอะไรไปนี่ก็เหมือนกันหมดใช่ไหมข้อตําหนิอยู่ที่อาหารไหมอยู่ที่การปรุงคนที่ปรุงรสชาติอาหารไหมปัญหาอยู่ที่ลิ้นของเขาต่างนั้ปัญหาที่มันอยู่ที่สมองของเราความสามารถของเราหรือบางทีนี่ความบริสุทธิ์ของเราความตั้งใจของเรา การที่เราได้เปิดอกเปิดใจเปิดใจจะได้รับสัจธรรมเนี่ยบางทีปัญหาว่าอยู่ที่เราเีงแหละล็อกประตูไว้ช่วงอากาศร้อนนี่ปิดหน้าต่างปิดประตูแล้วก็เราก็อยู่ใต้หลังคาเลยเนี่ยไม่มไม่มีฟ้าไม่มีอะไรแล้วก็ปิดล็อกไม่มีให้ไม่มีให้ลมเข้าเลยนะไม่มีอะไรระบายเลยนะร้อนทำไมมันร้อน ก็ต้องร้อนสิลองเปิดหน้าต่างเปิดประตูดูสิเปิดมาหน้าต่างประตูมันลงว่าดูสิมันอากาศมันจะเปลี่ยนไหมหัวใจสายตาของเราบางทีก็เป็นแบบนั้นปิดปิดหูปิดตาปิดหัวใจไม่เห็นความจริ ง, ท, งทั้งทั้งที่อันนี้อันนี้เราพูดพูดพูดเกี่ยวกับคนเราเนี่ยเราเนี่ยที่ ท, ที่สนใจมาเรียนรู้อุดาน เราเนี่ยก็ตระหนักดีว่าอ่านนี่เป็นทางนําเดือนรอมฎอนเดือนนอกเดือนรอมฎอนแล้วก็มันอ่านกอ่านเน้นเพราเรารู้ว่ากุอ่านนี่เป็นทางนาําเราอยากได้ผลบุญใช่ไหมแต่ในชีวิตของเรานี่มันก็มีอะไรบางอย่างที่กุอ่านให้ทางนําแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรายังไม่ได้ปรับปรุ ง, ย, งยังไม่ได้แก้ไข ท, ท, ทั้งทางเดียวก็ยอมรับอันนี้อันนี้จะอธิบายไงอ่มันก็นี่แหละ ประตูหัวใจนี่แหละบางบานในยังมีงไม่เปิดเรายังไม่เปิดลองเปิดเต็มที่แล้วกนะูอ่านกูอ่านเข้าอยู่แล้วกูอ่านเข้าหัวใจอัลลอฮ์อัลอลอฮ์ส่งกูอ่านมานี่ให้มาประทับในหัวใจที่พานักของกุูอ่านนั่นะมันไมช่หนะิ่ง น, น, นะไม่ใช่หิ่งนะ เราไม่ได้ประลานกุศอ่านลงมาเราจะได้พิมพ์กุศอ่านให้รู้รา้าหลายสำนักพิมพ์แบบนูน่นแบบนี้แล้วสุดท้ายนี่มันก็จะอยู่มันก็จะอยู่ในตัวตัวหนังสือตัวหมึกตัวนั้นนะ่ะไม่มีประโยชน์เลยนะวันนี้ไม่ใช่เป้าประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้กุศอ่านมาอยู่ในสมุดในกระดาษเราต้องการให้เนื้อหานี่ทะลุเข้ามาอยู่ในหัวใจมนุษย์ทุกคนแลถึงบอกว่า การที่เราได้อ่านคุรานบ่อยเรียนรู้คุรานบ่อยมันเป็นตัวพิสูจน์ตัวพิสูจน์ให้ตัวเราว่าเราต้องการทางนำาของกคุรานแต่คนที่เป็นมุสลิมทั้งทีเนี่ไม่ได้คุรานก็ไม่อ่านศึกษาคุรานก็ไม่ได้ศึกษาอยู่ข้างเคียงกับคุรานนี่ก็เหมือนเหมือนคุรานนี่เป็นเป็นเป็นไฟแดงสีแยกไฟแดงมีก็ต้องหยุด เจอเจอเสียงก็ต้องหยุดถ้าไม่เจอล่ะไปเรื่อยๆชีวิตนึ่ก็ไปเรื่อยๆบางเอิเนี่เจอเจอไฟแดงไฟเสียนี่เคยเห็นมอแล้วเป็นยังไงสรรนัวเลยซึ่ต่ต่างคนต่างคิดไงว่าเขาจะไปไม่ไปจะวิ่งจะเพราะมันไม่มีไฟแดงไม่มีไม่มีไฟไม่มีสัญญาสัญญาณ จ, จ, จราจรใช่ไหม กุดอ่านกุดอ่านของเราเีไม่ใช่กุดอ่านเราศึกษาเราจะได้รู้ไฟเขียวมันอยู่ตรงไหนไฟแดงมันอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่บังเอิญนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยชีวิตให้มันบังเอิญใช่ก่อนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องศึกษาสิศึกษาจะไดรู้ว่ามันไฟเขียวหรือไฟแดงหรือไฟเหลืองระยะที่ามสิบสี่เนี่ย Allah Subhanahu wa taala กล่าวถึง บุคคลที่มักจะเป็นอุปสรรคในการในการาพบความน่าเชื่อถือของพระดำรัตของเลาทั้งนั้นมีหลายอย่างที่จะบั่นทอนความเชื่อถือของคำสั่งสอนหลายอย่างมงกุกิเลศของเรากิลิหน ก, กก็บั่นทอนมี ความโลภมีความความโอหังความความความเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเราแตบาบา่บางทีมันเป็นเรื่องภายนอกที่ที่จ <c oughs> ะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของคำสอนหนึ่งในนั้นนะก็คือนักศาสนา พติกรรมของนักศาสนาที่จะบรรทอนความน่าเชื่อถือของคำสรรเสริญนี่าสุดสังเกตมาหลวงพ่อที่รับบริจาคกี่กี่ร้อยล้านนะกี่ร้อยล้านนะใครจำตัวเลขเนื่องจ่กว่ามันเยอะมากสผมเมื่อเราจำไม่ได้หรอกเพราะไอตัวเลขแบบนี้เนี่ยเรา เราเห็นในฝันอย่างแนวอ่านในหนังสือพิมพ์เดีเราไม่เคยจับมันไม่เคยอยู่ในบัญชีของเราใช่ไ <c oughs> หมไอตัวเลขหลักสิบสิบสิบล้านร้อยร้อยล้านเนี่ยเห็นไหมพอพอคดพอเขาแยกยอกที่โดนขอหายักยอกพอเขาแยกยอกแล้วเนี่ยญาติโ ย, ยมตั้งคําถามว่าแล้วก็ที่เขาทาบุญนี่มันได้ปะที่เขาทําบุญนี่มันบุญมันหายไปปะ นี่มันเป็นสิ่งที่พี่น้องชายพนทธต้องคิดนะคือเนื่องจากว่าศา ส, สนาพุทธไ ม, ไม่ไม่มีพระเจ้าเลยไม่มีพระเจ้ามันก็เลยเกิดความรู้สึกโดยปริญายนอยู่ว่าทําบุญนี่ไม่ได้ทําบุญกับพระเจ้านึกออกปะทำกับใครอ่กับพระสงฆ์คือบุญเนี่ยมันมันไปตกอยู่ที่พระสงฆ์เขาก็เข้าใจว่าพระสงฆ์หรือใครก็ตา่าง อาจจะเป็นมูลนิธิอาจจะเป็นกระดาอะะเขาก็จะเอาเงินของผู้บริจาคเนี่ยไปทํากุศลต่างๆบุ ญ, บ ญ, บญมันอยู่กับคนแล้วคนเนี่ยต้องไปถ่ายทอดเงินเนี่ยให้มันเห็นเป็นรูปธรรมนะว่าว่ามันเป็นบุญ ม, มันมันมีมันเป็นความดีเป็นกุศลแต่ถ้ามันถูกยกยอกแล้วเนี่ยเอาไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาแล้วก็ไปไปซื้อรถเบ้นตัวเองไปไปเสีสุขของตัวเองเอาแล้วก็ตังค์ที่ฉันบริจาคอะ มันจะมันมันไม่ได้ถูกแปรรูปให้เป็นกุศลเป็นเป็นความดีใช่ไหมนี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมของนักศาสนานี่บั่นทอนความเชื่อถือในคำสัสนไม่ไม่ไม่ไม่จำเป็นนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างที่มันที่บอกกับพี่น้องว่ามันบางเอื้นเกิดขึ้น เกิด ข, ขึ้นในช่วงที่เรากำลังกำลังเรียนรู้อายะที่มันเกี่ยวกับประเด็นนี้นักศาสนาแต่ที่จริงเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ได้ยุกตัวอย่างจะหอรของนักศาสนาเนี่ยเพื่อเจาะจงว่าคนที่จะบัทอนความน่าเชื่อถือของคําสั่งสอนคนที่จะทําลายศาสนานดยเฉพาะนักศาสนานะแต่นักศาสนานี่จะมีบทบาทสูงกว่าคนอื่นถ้าเท้าเสื่อมเสียนะมันจะกระทบมากกว่าคนอื่น กระทบมากกว่าคนอื่นแต่ที่จริงมันก็กรทบกันหมดแหละยกตัวอย่างที่มันบังเอิญตรงกันมีหมาดๆสดๆเรื่นี้ประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องศาสนาประเทศซาอุดีอาระเบียบ้านเราก็มีนักกิชาการโฆษณาประเทศนี้ว่าเป็นประเทศที่ปกป้องศาสนาปกป้องอัลกินาปกป้องนู่และสุดหมาดๆนี่นะครับสโมสรฮิลาัล ไม่ใช่เรื่องเล็กๆชื่อสมโมสรนี่อัลฮิลลัลนะได้ทำสัญญากับมิสซี่เท่าไหร่ก็ตัวเล่นแบบที่แบบว่าแบบว่าที่จำไม่ได้แต่ผมพยายามพยายามหารดูแล้วนะวัลละวัลละ60ล้านบาทปีละ 22,000 ื่น นี่ดูเขาขายน้ำมันกันวันละเท่าไหร่900งอบาร์เรลบาร์เรลเดอ0์ดอนอะไรเงี้ยไม่ธรรมดานะมันก็บันทอนความรู้สึกว่าเอ้าพอหนี้เราก็มองว่าเอ๊ยประเทศอุดิอราระเบียนี่ก็ก็มีผู้รู้และกับผู้นำก็เป็นมุสลิมแต่ก็ไม่ต่างอะไรออกับข้อสงสัะ ไม่ต่างกันเลยกับประสงค์เวลาใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแบบนี้ถามว่า น, นี่กับนักเตะบอล น, นี่เราทำสัญญาเทนเงนินกับเขาแบบนี้วันละห0สิบล้านนะถ้าจะรู้ชั่วโมงเท่าไหร่นี่ก็ห้านาทีหนึ่งเท่าไหร่นี่หานาทีสําสำนักข่าวเขาบอกว่าเป็นเงินดืนประวัติการประวัติการมันไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ๙๐ล้านนี่ยมีนับต่อวันนี่๕๐ล้านนี่มันสามารถสร้างโรงเรียนได้โรงหนึ่งพร้อมพร้อมเงินเดือนของครูทั้งปีอห็นไหมว่า๖๐ล้านนี่นะสามารถสร้างโรงเรียนนะแล้วก็เก็บเงินไว้สําหรับครูที่สอนนี่เนี่ยทั้งปีงบประมาณของเรืทั้งปี๖๐ล้านเนี่ยโอ้๖๐ล้านนี่ว่าชาแนลอยู่ได้สบายอยู่แบบรู้รู้เลยนะ <c oughs> อยู่แบบรู้รู้เลย <c oughs> ทั้งปีนะไม่ใช่ไม่ใช่วันเดียวทั้งปีอันนี้เขาเป็นค่าตอบแทนต่อ ว, วันเขาเคยทุ่มเทไหมให้เงินเดือนนะักวิชาการให้เงินเดือนคนที่มาสพอร์ตศาสนาคนที่มารับใช้ศาสนาอย่าว่าคนหนึ่งองค์กรหนึ่ง <c oughs> แบบแบบนี้ไมไมีมีมคผู้รู้จะได้เงินเดือนแบบนี้เนี่ยโดนด่าแน่เลย รนดาแน่ยโอ้ผู้รู้ได้เงินเดือนเป็นมีแตปนามกันอย่างเดียวมันก็มันก็เป็นอ้รอบเดียวที่จะที่เห็นว่าพฤติกรรมที่จะทําให้คนให้คนเนี่ยเสื่อมเสียความเชื่อถือของเขาต่อหลกักการศาสนาเสื่อมเสียเนี่ยมันก็ทํานองเดียวกันผู้นำ ที่ทุจริตทรัพย์สินส่วนกลางของประชาชนครับก็ เ, เหมือนกันเลยประชาชนทั่วไปที่รับสินบนประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่ทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นําสูงสุดของสังคมะนะเจ้าหน้าที่ทั่วไปประชาชนทั่วไปรับสินบนในบีบอกว่าอาลัลลอฮฺสาบแช่งนะคนที่รับสินบนนี่แค่เจ้าหน้าที่นะแล้วถ้าหากว่าเป็น เป็นผู้นำประเทศละ่ะเราจะเป็นรัฐบาลทั้งชุดละ่ะฐานโยบายของนักการเมืองอในการหาเสียงในการเลือกตั้งะนะก็คือสินบนสินบนแล้วยังเพิ่มความชอบในพฤติกรรมกโกงพฤติกรรมทุจริตแบบนี้ให้ดูรูหรานักการเมืองที่ย้ายพรรค อีกคนในการมูหาะนะ่ากัะแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วเขารัเขารับตังค์ใช่ป่ะตังค์นี่เรียกอะไรฮะเอเอเขาจะไม่เรียกสินบนนะคือเขาจะไม่แล้วแม้กระทั่งแม้กระทั่งหน่วยราชการที่ตรวจนะี่ยเขาก็ไม่แตะเรื่องนี้นะนักการเมืองจะย้พักนี่นะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเรียกมาตรวจสอบนะให้ไปกินกล้วยทําไมกล้วยเยอะอย่างเงี้ยไม่กลัวยเป็นเบาหวานอ่ะ จะโหวติละทีหนึง่งโอ้โหนี่กินแตก่กุยก้ยกล้วยกุ้ยมันมันก็เป็นมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่เขาคนคิดไงให้มันดูเบาไปไงมันดูเบาแล้วเวลามีใครจะมาถามเขาแบบตรงไปตรงมาเนี่ยที่ย้ายพักเนี่ยเอ็งเป็นงูเห่าหรือเปล่ารับสินบนหรือเปล่าเขาบอกโอ้ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาทีพอผู้พูดพอเอาเอาข้อที่จริงมาพูดเอานี่เป็นเรื่องธรรมดา เป็เรื่องที่เขาทากันโดยทั่วไปแล้วระหว่างนักการเมืองเรื่องนี้เนี่ยแม้ก็เด้งน่ย น, นักการเมืองอุสลิมอุสลิมเราเนี่นะเอดูหาว่ดูหาว่ า, า, วาเอาเราว่าคนอื่นชอบว่าคน <c oughs> อรรื่นอีกหนึว่าคนอื่นนี่ผมผมรู้ละผมรู้แล้วเพราะผมเพราะผมได้ใช้ยา <c oughs> ได้ใช้ยาว่าชอบว่าคนอื่น <c oughs> ไ, ปไปเจอแม่ค้าเนะี่ยไปซื้อกับข้าว รู้จักบังนะรู้จักบังนะบอว่าบังนี่ก็คงไม่รู้จักรู้จักบังนะใครบงังที่ชอบว่าคนอื่นผมใช่ชอบว่าคนอื่นทำไมไม่ละหมาดแค่นี้นะพี่น้งก็คงได้ยินคิดทําทำไมไม่ละหมาดาผมตั้งคำถามแค่นีนะ้ถือว่าคนอื่นแล้วเหรอ เอออันนี้เป็นเรื่องปกติของสังคมสังคมนี่ไม่ชอบใครไม่ชอบใครไปไม่ใช่ไปจับผิดเขาเนะี่ยคือพูดความผิดที่มันแสลงอะที่ที่มันรู้สึกว่าเออมึงว่าผูเปล่ า, ท, าทั้งนั้นดินักวิชาการส่วนมากส่วนมากนี่เขคือเ้าสิ้าอร์นี่มีเขไม่เอ่ยชื่อกันหรอกไออย่างเช่นในคลิปเนี่ยทําไมไม่ละหมาดผมเอ่ยชื่อใครมะไม่เอ่ยชื่อแต่คนนี้ไม่ละหมาดนี่แน่นอนเขาต้องเจ็บทิ่มอะ ทำไมไม่ลหมาดว่ากลัวเออเนี่ยบังอ่ะที่ชอบว่าคนอื่นว่าอะไรทําไมไม่หละอ๋อรู้แล้วฉายานี่มันฉ า, ายานี่มันมาจากทุกเรื่องที่ที่พูดเรื่องของสังคมมานัแน่เนาะมันต้องมีมันต้องมีพอเราพูดถึงการเมือง อ, อนักการเมืองโสเพณีแล้วแล้วมีใครจะไม่โดนหรอ แล้วผมรู้จักนักการเมืองคนที่รู้จกักและก็นสนิทด้วยนะแต่ผมรู้นักกุชาการนี่ที่อยากจะพูดความจริงไงนะเห็นต่อนนั้นซาลาฟเขบอกว่าขอให้อ AH ัลลอฮ์ได้ได้โปรดให้อภัยความจริงทําไมอ่ะความจริงนี่มันมันทําร้ายเราเยอะเลยยังไงอ่ะทําให้เราไม่มีเพื่อนเลยไม่มีไม่มีคนอยากจะคบเลยแต่เ้าพูดความจริงนะแน่นอน ก็ต้องมีทั้งเปลือกทั้งยอดทั้งอะไรเนี่ยอาจารย์มานี่มาช่วยตัดสินหน่อยอะความถูกต้องมันอย่างนี้นะ่ะเอ๊ะเขาข้างเขาีนิว่ามันต้องมีแน่นอนโอจึงเรื่องช่วงนี้ช่วงสถานการณ์การเมืองเนี่ยพอพูดอะไรที่มันผิดอ่ะสื้อเสียงไม่ได้นะมันเห็นบนว่าใครหนิว่าก็ว่าทุกคนนี่แหละจะเป็นใครก็ตา่าง แล้วกินเมืองโสเพณีขายตัวว่าใครว่าหมดแหละรวมถึงคนที่ผมรู้จักกระสนดิดด้วยว่าหมดแหละทําไมอ่ะพี่น้องเราญาติพี่น้องเร า, า, เรา ท, ที่ที่ทำความผิดเนี่ยแล้วเราต่อว่าเขาเนี่ยที่สุดเนี่ยเราจะเสียเพื่อนในโลกดุน ญ, ญานี้ใช่ไหมที่สุดเนี่ยก็เสียเพื่อนให้มันเสียญาติเขาตัดญาติตัดผมเคยนะญาติพี่น้อง บางคนนี่ตัดญาติตัดพี่น้องเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรนนำเขาเรื่องความจริงพูดความถูกต้องแ <c> บ <oughs> ่งมรดบอะไรเีเียเสียคนไปเยอะเลยเนี่ยเสียไปเยอะเลยเรื่องสตังนี่บอกอยากจะเสียอยากจะเสียคนนี่อะันเนียงเรื่องสตังใครถูกใครผิดอะไรการศ ส, สนาก็ต้องยอมเสีย ที่สุดนี้นะครับเราจะเสียเสียเพื่อนเสียญาติเนี่ยในโลกดุนยาดิแวันเกียรมาเนูหรือเราให้อภัยกันแล้วก็เข้าสวรรค์ไปอยู่ด้วยกันแต่ที่สุดของการไม่พูดความจริงกันเสียหายซึ่งจุดยืนเสียหายคำสั่งสอนหลักการศาสนาอันไหนมันสหัสกว่าพอไปวนเกียมานี่ไม่จบนะ เสียจุดยืนอุดมการไม่พูดความจริงบิดเบือนความจริงเนะในโลกดุนิยานี่ไปวันเกียร์ม่านี่ยังไม่จบนะแต่ไอ้ที่เราเสียเพื่อนกันเสียญาติกันในวันเกียร์ม่านี่ว่าไม่เหลือแล้วไอ้ที่เราเสียคนเสียเนื้เน้อถ้าเราก็ตัดสินแล้วหายไปแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมีอยู่กับสวรรค์ด้วยกันยอมเสียเพื่อนยอมเสียเสียญาติด้วยการพูดความเสียคนในสังคมอะนะโดยการพูดความจริง นี่ฝากไว้กับพวกเราทุกคนนะครับอย่าไปประเมินเวลาัวแล้วอันนี้พูดถึงความจริงที่มันไม่มีมุมไม่มีไม่มีมุมนะไอที่ไอแบบพี่ที่มีมุมเนี่ยเราอย่าไปฟันธงถ้าเราเหลีกเลี่ยงได้นี่ก็หลีกเลี่ยงไปแ ต, แต่พูดถึงเรื่องอะไรที่มันชัดเรื่องที่มันชัดชัดแบบไม่มีมุมตีความไม่ได้แล้วเนี่ยมันผิดผิดร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เี่ยเรา บิดไปได้หลีเลี่ยนไม่ได้บิดเบือนไม่ได้ในอายะห์สามสิบสี่นี่ Allah องคติผูกพันระหว่างสองอย่างระหว่างเรื่องทุจริตกับเรื่องเรื่องความเสียหายเรื่องศาสนาถึงความข้อเจตศาสนายากรู้ดดนและยากรู้มะมูลนนัสบิล باطلي และ ص د น ن عن س ب ิล الله สองอ่าง กินซับของประชาชนโดยไม่ชอบกินสั์ของประชาชนโดยไม่ชอบและหัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของตนนี่มันมาด้วยกันนะทำไมอ่ยเพราะคนที่กินรั์โดยมิชอบกินรั์คนอื่นโดยไม่ชอบแสดงว่าเขามีความโลภและถ้าเขามีความโลภโอกาสที่จะ ให้ความสำคัญกับทรัพย์มากกว่าศาสนานี่มีสูงแต่ข้อหาของบาทหลวงและปราดเนี่ยที่เข้าบิดเบือนข้อหานี่ในสูรรัตน์ส่วพระคุรรัตน์ที่เราได้ได้บอกว่าเขาเนี่ยกินทรัพย์นี่จะได้บิดบิดเบือนพุทธานข้อหาของเขาเนี่ในเรื่องนี้นี่คือเรื่องหลักทําไมเนื่องจากว่าเขาชอบชอบเงิน เคยบอกว่าเรื่องชอบเงินมนุษย์ทุกคนในช่ชอบเงินแต่ชอบเงินท่ามากที่สุดนี่นะมากที่สุดมากที่สุดถึงขนาดที่เงินนี่จะสำคัญกว่าทุกอย่างสำคัญกว่าพ่อแม่สมมีมแม่หล่ะคนที่ให้ให้สำคัญกับพ่อสคัญกว่าพ่อแม่มีเ ย, ยอะยะเลยคนที่ไปพูดต่อหน้าพ่อแม่เขาเนี่ยไหนหมษย์ของฉันนะ่ะตกเกตกะบานลเนี่ย คำว่ามรดกนี่คือต้องตายก่อนแต่มาบอกกับพ่อแม่ที่เป็นเป็นยังมีชีวิตอยู่นี่มรดกของฉันอยู่ไหนเนี่เท่ากับอะไรองี้ยากระเช้าไงมึงตายซะกูจะได้เอามรดกใช่มอันนี้แสดงว่าเงินหนาในสายดังสำคัญกว่าพ่อแม่เนี่ยอ่าใช่ไหนเลยล่ะและศาสนาที่จะเห็นว่าเงินสําคัญกว่าศาสนามีไหมก็มีผู้นา สังคมเจ้าหน้าที่การาชการนักการเมืองที่จะเห็นเงินสําคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทชาติของบ้านเมืองของสังคมมีไหมล่ะไอ้ที่แล้ที่มันมันน่าสมเพชมากแบไอ้ความสําคัญของเงินของของผลประโยชน์นี่นะร่างมาเป็นนโยบายมาร่างเป็นนโยบาย Blue ทำนาทำสวนอู่กัญชาไว้ก่อนลุงหน้าเนี่ยม่รู้กี่ปีแล้วก็มาหาเสียงหาเสียงในวายกัญชาเสรีนี่นะเพื่ออะไรก็เพื่อเพื่อให้นายวายเนี่ยมันสนองธุรกิจรายได้ของตัวเองนี่มาแล้ะมาใหม่ละถ้าคือนัทธบาลเนี่ยสาร์เซลฟรีสงสัยได้เลยสงสัยได้เลย ว่าเขากำลังสร้างโรงงานทาสารสเ่งต้องใส่เล้นะและทุกนโยบายทุกนโยบายที่มันมีสิ่งอบัยมุกเหล่านี้เนี่ยต้องมีผลประโยชน์แฝงอยู่อ้โหเมล่าสุดพักการเมืองพักหนึ่งสนับสนุนบุรีไฟฟ้าใส่กอ็อยิยเอยเงินอยังรู้เลย บุรีไฟฟ้า yes yes เพื่อเพื่ อ, อที่จริงไปดูแล้วนี่ชาวบ้านนะมุสลิมมันนะส่วนมากนี่เขาไม่ชอบบุรีไฟฟ้าทำไมมันไม่สม ง, งัดแต่ชาวบ้านชาวบ้านนะ่ะทุกวันนี้เนะี่ยชาวบ้านนี่ก็ไม่ซื้อบุรีไม่ซื้อบุรีนะเขาจะ บุรมัไม่บุรีมนแต่ชาวบ้านชาวบ้านชาวนาน่ยไป่รู้ดิเขาจะซื้อใบใบบุหรี่แล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ไอ้ที่มวนแล้วก็มันก็ม้วนเองมวนเองเขามีเขามีสมาธิไงในเรื่องเนี้แต่บาคนคนในเมืองเนี่ยอ่ะจะมวนเองเนี่ยไม่มีเวลาก็เลยก็เลยมีบุรีสําเร็จรูปใช่ปะ แต่คนร่วมสมัยเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยคงไม่มีเวลาจะไปซื้อบุหรีหนึงอะสองเดียวเลยบัวนเดียวเลยครบเซอร์วิสอยู่ในตัวนึกจะมาอะไรก็ดูดไปพ่นไปดูดไปพ่นไปบุหรีไฟฟ้าเช้าน้านี่นะจะดูดบุหรีไฟฟ้าผมแค่นึกภาพนี่ก็ขำละเช้ า, าน้าเจ้าสวนนี่นะจะดูดบุหรีไฟฟ้า คนที่ถูกจับถูกจับดูดบุหรี่ไฟฟ้านี่คือใครแล้วก็ต้องการปกป้องใครผมไม่รู้อะเนี่ยตอนเนี้ยที่ผมกำลังพูดอยู่เดี๋ยงวนนี้เนี่ยมันจะถูกเปิดมันจะถูกเทปเนี่มันจะถูกเปิดทั้งแรกันสุกสุกนี่ช่วงมหาหอนปะมหาหอนนี่กี่วันะวันเดียว่ะ อ๋อวันเดียวแสดงว่ายังมไม่หอนเขาก็ตั้งกดเกีย์นะคนก็เสียหายหมดเลยนะใครไปพูดช่วงนั้นนะก็คือหมาแหละอา่าท่เปันุกก่อนวันจั้งวันอาทิตย์นะก็ยังพอพูดได้นะยังพอพูดได้อย่างที่บอกว่าประเด็นประเด็นที่มันมันน่าเป็นห่วงมากกว่านี่ไม่ใช่เรื่อง ความเสียหายเรื่องวัตถุเรื่องทรัพย์สินเพราะอันนี้คือพฤติกรรมหนึ่งอัลลอฮฺสุลฮานาอฺตะลาบอกว่ามันมีแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านี้ก็คือพฤติกรรมนี้เนี่ยมันจะนํามาซึ่งพฤติกรรมที่เรียร้อยกันนี้ก็คือขัดขวางผู้คนจัดทางของอัลลอฮฺสุลฮานาอฺอีสุดด้วยนะอัลลอฮฺแล้วแล้วมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแน่นอน เิกเสรีจะต้องทำให้คนห่างออกจากทางอลนะัลลอฮ์กัญชาเสรีเนี่ยโอ้โหนี่ยกัญชาเสรีเนี่ยหัวเรา ก, กันหนงวันเลยดิไม่ต้องอา่านกุธอานกันเน่ในวแบบนี้แนะ่นอต้องทำให้คนนี่ห่างนี่ขนาดแค่แค่ เ, เรื่องฟังดนตรีฟังเพลงนะ่ะในกุศอานเนอสุลกวัน ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله هو خنتيء يتأم. เรื่อง راسرة كامبو دواجى عبد ا م ع و دواجى ه ر ا ل ر ة ل พ ا ل ه ให้ผู้ ا น ن นี สารบัญด้วยพระนามของลลที่มีพระเจ้าอัพระองค์ท่านนี่วะคำพูดได้สาร <c oughs> นี่คืออัลกินคือดนตรีใช่สิ <c oughs> เห็นชัดเจนเรื่องนี้นี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวิเคราะห์นานคนที่ชอบฟังเพลงฟังดนตรีเนี่ยเขาจะมีวิริตมีตารางอากุูดอ่านตุกวันไหม อนนี้พูดถึงคนที่ชอบนะคนที่แบบว่าคนที่ชอบฟังแต่ไอคนที่แบบวเรื่องเพลงเรือยเงี้ยเขาก็รู้ว่าบาปแต่ฟังไปฟังมาเนี่แบบว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจฟังอะแต่มีก็ฟังไม่มีก็ไม่ฟังก็ยังได้อีกประเภทหนึ่งแต่อีคนที่ชอบฟังดน ต, ตรีชอบฟังเพลงอ่าชนิดที่มีในดวงใจเนี่มีดาราของเขามีนักร้องของเขาที่อยู่ในมันเป็นไอดอลของเขาเนี่ยเขามีโอกาสไหมที่จะ อ่านุฎอ่านทุกวันท่องทำคุฎอ่านศึกษาเรื่องรู้คุฎอ่านแน่นอนกุฎอ่านที่มีเอาด้วยคุฎอ่านนี่บว่าที่ประทับของฉันนี่คือหัวใจแล้วหัวใจของเธอหนีเต็มไปด้วยดนตรีและเพลงฉันไม่เอาด้วยไม่อยู่ด้วยร่วมร่วมกับดนตรีในหัวใจเดียวกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงสําหรับเรื่องทรัพย์สินนะ อย่างที่บอกจะเป็นนักศาสนาบาดหลวงเป็น <c oughs> เป็นนัก <c oughs> การเมืองผู้นาศาสนาใครก็ตามนะถ้าเรื่องการชอบสักเนี่ยชอบสักเกินไปเนี่ยมันก็จะนำมาเรื่องการหลงถางเรื่องหลงถาง อ, อ, อ, าองพระเจ้าลอสพโนวาลาก็ได้ทำหนีคนที่สักสมศักย์ยักรีซูน่นาบวชเนฟิบด์นดะ สะสมเงินทองและไม่ได้บริจาคทานังชื่อบิงารอาบิชชบ อ, อันแอางข้อต้องมีการลงโทษการลงโทษอันเจ็บแสบนีันเกมีมคือไม่ไดีคือสะสมเงินแล้วก็ไม่ได้ทําหน้าที่ต่อทรัพย์ที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยให้ถูกที่ถูกทางทรัพย์อัลลอฮฺใหมานี่ต้องมีประโยชน์กับตัวเราต้องมีประโยชน์กับสังคม นี่ถ้าเทียบแล้วนะระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายสากล น, นะมาอิสลามที่ำหน้าที่ออกสกาศแล้วนี่ก็ถือว่าจบนันว่าจบทนมีสักออกสากาศ 2.5 เปอร์เซนตนี่ถ้าหาก็มีส่วนภาษีอื่นๆที่รับอิสลามนี่พอจะเก็บ ม, นะมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆเนียแต่มันไม่เกิน5ปอร์เซ็นหรอก แต่สำหรับส ก, กัดที่ส้าปรแต่ถ้าภาเีษกรสากลนะ่ะนะสอก็มี 60% ก็มี 60% นะ่ะมาถึงว่าเราได้กำไรเราได้กำไรพันหนึ่งอนะ่ะรักนิเก็บไปเก็บไปหอนะ่ะอันนี้ถ้าตามอัตราอัตราส่วนนะไรายได้มันถึง เกณดนคนเงินเดือนคนเงินเดือนเป็นแสนอย่างเงี้ยเก็บภาษีกบภาษีนีี่สิีเปอร์เซ็นต์เงินเดือนสูงสูงนี่เก็บเก็บแค่ไม่ใช่ไม่ใช่สองจุดปนไสองุาะทำไมอย่างนี้เราเราเราไม่ได้พูดในเชิงตำานินะแต่เราอยากจะเข้าใจเหตุผลคืออะไรอ้าวก็ได้เงินเดือนเยอะคำถามหนึ่งใช้หมดไหม เขาถามว่าเอ็งได้มาเงินเดือนเดือนละล้านยังใช้หมดไหมใช้ไม่หมดจะว่ททำไมพ้อที่เอ็งได้รายได้สูงๆนี่เนื่องจากบริบทของสังคมที่เอื้อให้ตัวเองได้ไรายได้สูงแบบนี้เนี่ยตัวเองก็ต้องคืนกรับเสียกรอก็คือคืนผลประโยชน์บางส่วนให้สังคมที่ช่วย ให้ท่านเนี่ยได้มีไรายได้สูงแบบนี้ก็มีเหตุผลสองมีเงินแค่นี้เนี่ยไ ม, ไ, มไม่ใช้หมดเนี่แบบ่งให้คนอื่นบ้างสิสองเ <c oughs> งินเนี่ยควจะถึงท่านเนี่ยเยกแบบเนี้มีกี่หน่วยงานมีกี่ส่วนในในสังคมเนี่ยที่ต้องรับใช้ไรายได้เนี่ยก็ต้องมีส่วนได้ไม่ใช่ไหมมีส่วนได้ แล้ยิ่งคนมีไรายได้สูงเนี่ยเขาก็จะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นมาะเองก็ต้องจ่ายมากกว่าคนอื่นนี่เหตุผลที่มนุษย์มนุษย์เขาร่างกฎหมายขึ้นมาเองแล้วก็เห็นว่ามันมีความชอบนะยใช้กันทั่วโลกเลยประเทศประเทศทีมมีเสรีภาพอะนะโอ้นั่นยิ่งมีเสรีภาพยิ่งมีภาษีสูงทำไมอ่ะเพราะว่าไม่ชดเชยอภาพะนี่หมายถึงว่าได้ไรได้ก็ ใช้ใช้ตามอัธยาศัยแล้วก็ไ ม, ไม่ไม่มองเห็นไม่มองอไม่เห็นหัว <c oughs> คนที่อยู่ร่วมชีวิตกับเราในสังคมอยู่ไม่ได้การสะสมทรัพย์โดยไม่มองถึงหน้าที่ของทรัพย์ต่อสังคมอันนั้นอันนั้ น, นะ น, น, น, นคือประเด็นที่อาจารยกาลังพูดถึง والذين يكنيزون الذهب والفضة ولا ينفقون فِي س ب ي س ل س ัสุนตังแล้วก็ไม่ได้บริจาคในหนื่องจากเราสุภาพนุ่มตาต้องมีการข่มขู่คนเหล่านี้ที่มีความโลภที่มีการชอบซับชอบสะสมซับแว่นิดนึงระหว่างชอบซับกับชอบสะสมซับนี่มันอันเดียวกันไหม มันเป็นเรื่องเดียวกันไหมมันเป็นกเล่เรื่องนี่ Allah ได้บอกไว่าละดีในเอขินดิซูนั้นเอแบบาฟลต์ตัวเธคนที่สะสมครับแสดงว่า Allah ตาหนิเรื่องสะสมแสดงาว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอื่นจากเรื่องชอบทรัพย์คนที่ชอบทรัพย์เนี่ยกินชอบกินทรัพย์แล้วก็ชอบกินทรัพย์นี่ هو ش ع ب ف ن ي ق ر ل ن ي و ر ي س و ر ة ا ل ع ا د ي ا ت و ر ة ا ل ف ج ر ع ا د ي ت م م ا ي ما س د ه ا ي وانه لحب الخير لشديد شوه ينبني شوه ينبني لا شديد. منط نية. ชอ نين لئك شديد. يعمرن ชอบ ي ع م ن ي ชอบ ثانية. ي ع ب الخير لا ش ันรดาผู้ที่สะสมเงินทองอันนี้ก็อีกอย่างพิสูจน์ได้ตรงไหนพิสูจน์ได้ตรงคนที่เดียวคนทรนีที่เดีย ว, ยวพวกนี้เนี่ยชอบสะสมทรัพย์มากกว่าทรัพย์ทำไมเขาสะสมเขามีความสุขในการสะสมแต่ทรัพย์นี่ใช้ไหมไม่ใช่ คนขี้เหนียวบางคนเนี่ยเสื้อขาดกินอะไรแบบรแบบชา บ, บ้านทั่วไปทั้งที่เงินเงินเขาเยอะมากนะสามารถกินของที่มีค่าอาหารอร่อยไนดะ้กินของธรรมดาธรรมดาเนี่ยทไมเขาไม่มีความสุขในการใช้สรัพ์ไม่เอาทรัพย์มาเงิน เ, เงินเป็นพันล้านนะไม่นั่งรถเมย์ทำไมประหยัดประหยัดยสบบาทเนี่ยนะ สส ม, มีความสุขอนะสะสมได้ยี่สิบบาทเนี่ยเขาามีความสุขแสดงว่าเรื่องสะสมนี่ก็อีกอย่างนึงลยนะเรื่องนี้มันมีจริงถึงขนาดที่บางคนเนี่ยไม่เชื่อไม่น่าปฏิเสธโอ้จะมีคนขี้เหนียวอะไรขนาดนั้นนะทาให้อุลมาบางคนอยัอลยาฮ์เนี่ยได้เขียนหนังสือเล่ม น, นึงอัลบุคาเลชื่อหนังสือเนี่ยคนขี้เหนียวแล้วก็เก็บเรื่อ ง, องคนขี้เหนียวประวัติศาสตร์และคนที่เขาเห็นด้วยด้วย แล้วก็ได้ยินมาเนี่ยผู้อ่านอ่านเรื่องราวของคนที่เหนียวที่เอาเราพูดถึงเรื่องคนสักคนที่สะสมเงินทองนี่จริงคือชีวิตของเขานี่นเรื่องสะสมอย่างเดียวสะสมจริงๆเป็นนักสะสมอย่างเดียวและความสุขของเขาเนี่ยเรื่องสะสมพอนึกออกนะคนที่สะสมเงินนะไอ้ี่เงืสมเงินจะเป็น แล้วก็ซื้อตู้เสฟในตลาด ไ, ไม่พอแล้วเนี่ย mm hmm. เต็มแล้วเนี่ยเอาซื้อตู้เสฟอีกสะสมอันนี้พอจะ น, นึกพอจะนึกภาพพอจะนึกเหตุผลนะไอ้นคนที่ชอบสะสมเรื่องอื่ น, นละ่ะสะสมเงินธนบัตรสะสมเหรียญเหรียญห้าบาทสิบบาทสะสมเครื่องเครื่องบูชาสะสมนาฬิกา สะสมได้ไหมครับสะสมอะไรสะสมเสื้อดารามีไหมไม่มีอ่ะมีชอบสะสมเวลาเขารู้ว่านี่อันนี้เป็นเป็นตลาดนะแต่พวกเรานี่มนเนี่ยเ า, าพวกเรานี่ย a l l ให้มีสติหน่อยนะ รองเท้าดารานี่ยห้าสิบล้านโอนไล่เงี้ยเขาชอบสะสมแล้วก็จะมีห้องที่บ้านเขาเนี่สะสมสะสมภาพรูปรูปวาดเนี่ยมีไหมโอ้โหเท่าไรนะของพวกนี้นี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะนี่นักสะสมเขามีความเขามีความสูขนะจ่ายเงินเป็นพันล้านเนี่ยเงี้ยซื้อซื้ อ, ซ, อ, ซ, อ, ซ, อซื้อรูปรูปของนักวาดคนหนึ่งสะสมอ ใครไ อ, ไอ้วัตถุโบราณมีไหมนี่รู้ว่ามีประมูลที่ไหนเนี่ยทั่วโลกนี่โอ้วิ่งันอันนี้ดาบของสุนตานคนนี้อันนี้เป็นมีดของกษัตริย์คน น, นู้่นลงทุนกันเป็นเท่าไหระ่ะผู้หญิงอ่ะชอบสะสมอะไราเครื่องประดับประดา <c oughs> มีแหวนมากกว่านิ้วที่ตัวเองครอบครอง <c oughs> คือถ้าสมมติว่วแหวนไอ้นิ้วทุกส่วนในี่ใส่แหวนน่ะนะมีกี่นิ้วย0สิบนะคือทั้งมือทั้งเท้านะ่ะถ้าสมมติวจะใส่ทุกนิ้วเลยนะบ า, บางคนเนี่ยมีแหวนมากกว่าส0บมากกว่า20สิบวงเพื่ออะไร สะสมมันเป็นมันเป็นความสุขของการสะสมบาปไม่ซาสิอ่ยเนาะสะ ส, ม, ส, ะ ส, ะสมนี่บาปไหไม่บาปแต่ต้องออกสากาศต้องออกสากาศประเด็นว่าเ <c oughs> ครื่องประดับประดานี่ต้องออกสากาศถ้านำมาใชา้หรือมาสะสมอย่างเดียวอันนี้อันี้ประเด็นนีราได ถ้าเราพูดถึงกิเลสของการสะสมอันที่อันที่ศา ส, สนาต่อต้านยิ่งจะเป็นสิ่งที่มัน ม, มีมูลค่าสูงเกินไปมีอยู่ช่วงหนึ่งผมกลับมาจากวงนอกนี่มาเริ่มเผยแพร่ศาสนาในสิ่งที่ผมเจอนี่ยเรื่องแรกนะ่กันทเจอในบ้านญาติเบื่เจอบา้บานบา้บานญาติพี่น้องเนี่ยก็คือทุกบ้านน่ะนะที่ไหนตาไหนนะ่ยปู่ย่าตาเนี่ยเขากระทากันมาตั้งแต่ดึกดำบัตรต้องมีตู้ ตู้โชว์ตู้ชตชตโชว์ทำไมอ่ะพวกเราไม่แพ้เขาของเขานี่มีแบบห้องอ่ะห้องโชว์โชว์รูมมันเป็นรูมอ่ะมันเป็นตั้งห้องอ่ะแต่ฉันจะให้มีตั้งห้องโชว์เนี่ยก็มีตู้โชว์โชว์อะไรอ่ะโชว์สิ่งที่ฉันสะสม มีจานมีถ้วย ม, นนมีมีนี่สะสมแบบพี่เนาะชุดจานชุดชามบางอันอ้มอนี่เป็นแสนนะเก็ไว้เงินนะ่ะเก็บไว้ทำไมให้ดูเก็ไว้ให้ดูอย่างี้พี่เนะาะใช้เลยจะใช่จาน น, นี่นีจานละหมื่นนั้นเนี่ยไปละหมื่นนะ่ะ มากินข้าวข้าวประเทมมากินเนี่ยนะประเทมนี่มาวางบนบนการนราคาเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะออทําไมแล้วก็เราก็จะได้ใช้ของแบพงๆเนี่ยเราก็มีความสุขดีโอ้ยมันมีความสุขมันทรมานเอาของแบพ ง, บงๆนี่มาใช้อย่างเงี้ยเอ า, เอามีดมนกระแทกมานุ่มเสียวชีวิตชีวิตมันยังไงอย่างนี้มีความสุขยังไงเพราะว่าอย่างนั้นอะขายซะทําไมอแบบนี้มันบาดสะสมของ แผ่นๆแบบนี้แล้วไม่ได้ใช้นี่มันบาปยิ่งถ้าของพวกนี้เนี่ยมีส่วนที่มันเป็นทองคําเนี่ยมันบาปไม่ตัวถึงจะใช้นะก็ บ, บาปจานที่มีทองขอบเป็นทองช้อน อ, อทองเคอะไรพวกนี้ทองเคเนี่คือทองจริงนะแตทาเป็นทองผิวมันเป็นทองคําจริงนะบาป ท, ทั้งนั้นนี่เองสะสมนั่ง น, นั่ะสะสมเงินทอง สะสม น, นาฬิกาก็เหมือนกันนาฬิกาที่เราได้เคยได้ยินนาฬิกาสองล้านนี่เราก็เราก็รู้สึกก็จิบจิบอะนาฬิกาสองล้านนี่ยี่สิบล้านก็มีห้าสิบล้านก็มีมันก็อะไรนาฬิกานาฬิกามีมันมีอะไรอะมันจะรู้มันจะรู้เวลาในนาวอังคารด้วยหรือไง ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อนาฬิกาเดือนเดียวนะหสล้า น, นไม่เาพวกนี้เนี่ยเาจะสะสมสะสมนี่งสะสมมาตรฐานสากลน่ะนะเองจะสะสมก็สะสมไปแต่ต้องแจ้งต้องจ่ายภาษีต้องจา่าภาษีเงินทองไงเล่นการเมืองเนี่ยกูต้องแจ้งนะต้องแจ้งนี่นาฬิกาก็ต้องแจ้งนะนอกจากกูยืมมาจากเพื่อนน่อีกเรื่องนึง นีก็ว่ากันไปเตว่ากันเป็นตามสถานการณ์ของของมุก น, นะของเวลาถูกดังเงินกันดีแล้วนะแต่นี่การากาลังพูดถึงค ว, วามสํานึกคําสั่งสอนที่มันจะสร้างความสํานึกอสําหรับมุสลิมแล้วคนที่มีความสํานึกนี่จะมีปปงอปปชมีไอสารทุจริตนั้ไม่สํานึกหรอก ไม่สำนึกตั้งองค์กรอิสระกันมาเป็นสิบ ส, บสบปีเนี่ยไล่ ล, ล, ลนะ่หมดไหมทุกจริตมาเราเนี่หมดไหมยิ่งยิ่งยิ่งมีก็ยิ่ง อ, อิทธิศากชาติเนี่ยอะยี่สิบปีเนี่ยหมดไหมไม่หมดหรอกถ้าไม่มีความสำนึกคนเราเนี่ยถ้าถ้าเลี่ยมใสในศีลธรรมมนะ เราไม่ต้องไม่ต้องอะไรมาไม่ไม่ต้องมีอะไรมาข่มขูแต่เนี่ยอยงเช่ว่าเรารู้ว่าคนส่วนมากนี่เรื่องความสำนึกนี่มันไม่พอต้องมีอะไรมาขู่จึงมีอายาดีบทลงโทษสําหรับนักสะสมเหล่านี้นนสสคนนี้จคนนี้มีโรคสะสมหรือสะสมสะสมเงินและไม่บริจาคในหุ่นตางของรัฐสภาดงหุ่นต่างโทษคืออะไร ย่อมจะยุหมะ عليها ในนารจ์อันนคัวบ่่ดม่าหุ่มแล م จุนหุ่มและดูหุ่มฮ م ดะมาคเนซดุมเลออันฟุ و ิคุม ا ดุคุมหากุตกเนคีะสมนี่นะมีโทษยังไงวันที่มันจะถูกเผาไฟรบแทนานนะอะไรเงินทอง ตก่อนโน้นเงินตราของเขาเนี่ก็คือก็คือตัวโลหะตัวเงินตัวทองจริงอะไม่ได้เป็นธนบัตรนะไม่ได้เป็นธนบัตรฉะนั้นไม่ต้องตีความนะว่าเอ้าก็ต่อกรุ่นเขาสะสมตัวเงินตัวทองที่มันเป็นโลหะการลงโทษนี่ก็จะถูกลงโทษด้วยเงินที่เป็นโลหะแต่เดี๋ยวนี้เราใช้เงินธนบัตรที่เป็นกระดาษ ใช้ดิจิทอลเงินดิจิทอลอย่างเงี้ยเรจะเอาบิตคอยนี่บิตคอยนี่จะมามาลงโทษยังไงอ่ะถ้าเราจะจินตนาการตามนี้เนะ่ยนะเราจะไม่มีวันที่จะหาทางหนีลงโทษของเราสุภาพนี่ปร ะ, ยะโยชน์เอุย้ยตะกอนนู้นเขาเก็บเงินทองแล้วก็เอาเงินเราเาจะเอาเงินทองนี่ไปเผาในรกแล้วก็ไปจี้ไปจี้มันเออแต่มันกระดาษ อันเราจะมาจีเราอย่างไงอ่ะอย่าไปคิดแบบนีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นทางหนีให้เราพ้นจากบนลงโทษ อ, <c oughs> อันนี้เนี่ยอันเรายกบุษย์ถอนยกบุษยอนให้เห็นว่ามันจีบแสบขนาดนั้นเหมือนมีผู้รู้บางคนที่เขาบว่า อุตรานฮะดีสเนี่ดถึงเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยอันนี้สำหรับสำหรับการแลกเงินตราที่เป็นเงินเป็นทองเงินเป็นทองที่มันเป็นโลหะแต่ถ้ามันถูกแปรรูปเงินเนี่ยมันถูกแปรรูปเป็นกระดาษเป็นเงินดิจิตอลเป็ น, เ ป, นเป็นเงินที่ไม่มีตัวตนเนี่ยอันนี้ไม่มีดอกเบีย้ยเพราะว่าเชนนั้น呐นะ เงินกระดาษของเราเนี่ธนบัตรเนี่ยเงินดิจิทอลเนี่ยอันนี้แลกเปลี่ยนไม่มีดอกเบี้ยแลกเปลี่ยนโดยมีส่วนเกินเนี่ยไม่ไม่ถือว่ามีดอกเบีย้ยแล้ ว, ว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เนแข็งเกินไปหมายถึงเอาเอาหลักการแข็งแข็งเป๊กเ ป, ป๊กเกินไปจริงหรอที่เราก็าดอกเบี้ยเนี่ยสาหรับเงินทองคนที่ใช้เงินสมยัยนีว่าเราต้องย้อนกลับเนี่ยมา มาแลกเปียก็อนนี้อันนี้จะซื้อจะซื้อขนมปังอสมกระดัมทองคําต้องเป็นแบบนี้จะได้ถือว่าเป็นดอกเบี้ยเหรอแต่ถ้าไม่เป็นเงินไม่เป็นทองอยเนี่ยเรามาแลกกระดาษเป็นบาทเป็นดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ร้อดอลลาร์เอามาร้อยี่สบดอลลาร์นี่ออันนี้ไม่ใช่ดอกเบี้ยทําไมเงินนี่มันไม่กี่ทองคํามันเป็นกระดาษใช่เหรออัลลอฮฺ ร้อยตัวได้มองถึงเรื่องนี้เป๊กๆแบบนั้นนะ่ะใช่เงินน่ยที่เราใช้กันนี่แหละถ้ามันมีการเอารัดเอาเปรียบต่อกันแบบนั้นนะ่ยคือดอกเว้ยถึงจะใช้เป็นเงินดิจิทัลถึงใช้เป็นเงินธนบัตรมันมันก็คือเนื้อหาเดียวกันนะนะั่นแหะการลงโทนมันก็จะไม่พ้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้ทองจริงๆเนงะิใช้เงินธนบัตรเนี่ย มันก็มีการลงโทษที่มันเหมาะสำหรับสาหรับเราแล้วคนเราอยา่าไปเถื่อเรื่องกนน้อนน้นนอนะน่เออฉันไม่ใช้เรื่องไม่ได้ใช้เงิน ไ, ไม่ได้ใช้ท้องแล้วไม่ใช้ธนบัตรฉันไม่ลงโทษเดี๋ยวเจอนะการบดลงโทษที่มันยงไงอล้วอัลลอ์อัลลอจะอ์ลละจะไม่มีปัญญาที่จะเธอจะเล่นก้อนน้ น, นะให้กระดาษเนี้ยเป็นบทลงโทษสำหรับกระดาษอยาด หลวงทวดได้กระดาษใช่ไหมเราจัดจัดให้เราจะไม่มีปัญญาที 68, ่จะใช้กระดาษนี้ว่หลวงทษเราอย่างจิบแสบอย่างสาสมหรอไม่ได้นะเหมือนคนที่สมัยท่านนบีนี่นเตลึงเตลึงเรื่องนรกนบีนบีอกว่าอะไหตทีดะอาชรนรกนิยามนรกเนี่ยมันอะไรกันสิ่ก้าท่าน กุฟาร์ของอูชิลกีิลหัวมากคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าที่มีที่มีบารมีโอ้นแรก็แค่สคนแค่สเาท่านเลยนะลูกหลานผมนี่ก็มากกว่ามากกว่า19เดี๋ยวเขาจะช่วยฉันพ้นจากอันนี้เยอะหนาบีเนี่ยยอะนบีลก็มัจฮัลน่าเดตัมอิลลัฟิตนใลดีนฟ จำนวนนี่เป็นบททดสอบจะได้รู้เรื่องความศรัทธาเพราะที่ใช่เพราที่จริงนีเขาบอกว่าบางรายงานว่าดิสเน่มาเลย์ไท่านนี่นะแต่ละท่านนี่นะสามารถลากลากอะไรเขไม่รู้ไอ้บทลงโทษเครื่องมือในการลงโทษนี่จะได้ลงโทษคนนับนับเป็น ล, ล้านๆคนเนี่ยท่านเดียวทําได้ แต่เองนี้มันไม่ไมต้องไม่ต้องอธิบายถึงความสามารถเดชานุภาพของอัลสมานาโธดาอะไรใเรื่องนี้อันนี่เป็นบทเรียนสำหรับบาปต่างๆที่มันไม่มีบทลงโทษผมนี่มาบ้านเราเนี่ยสิ่งที่จะ<ม>ถูกถามมากที่สุดเนี่ยชิคถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยอระเจาจะรู้ทษยังไง การทำแบบนี้โทษมันคืออะไรคือเราเหมือนเข้าใจเราเราตระหนักกันว่าทุกบาปนี่นะอัลลอฮ์ห้ามเนี่ยแสดงว่าต้องมีบทลงโทษแล้วบทลงโทษเนี่ยมันไม่ใช่กำลังใจนะคือคือเราทำความดีแล้วการตอบแทนมันเป็นกำลังใจไอ้บทลงโทษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะคมคู่้ากับเรา เออบลงโทษนี้มันจะเอาอยู่มันจะทําให้เรากลัวทำให้เราปวดเอาถ้าคนทําอย่างงี้เอาน่าจะลงโทษยังไงเรามักจะต้องการข้อมูลตรงนี้เอามาเป็นตัวช่วยในการยับยั้งไม่ทําบาปแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีบุตลงโทษดว้วยแต่มันเรื่องเงินบาปอยู่แล้วแล้วเรารู้มันบาปแต่มันไม่มีตัวบทบอกถึงบทลงโทษ เราก็จะรู้สึกปลอดภัยนิดนิดนึดน่นไม่มีบทลงโทษไม่ใช่นะเออคนที่ค่อยรู้สึกอ๋อนี่ไม่มีบทลงโทษบทลงโทษไม่ชัดเจนแสดงว่าบาปนี้อ๋อแล้วคงไม่ได้ลงโทษจริงจังเพราะมันไม่มีบทลงโทษไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปคาดใจอย่างนั้นผิดถ้าเรื่องบาปนี่มันก็มีบทลงโทษมันแน่นเนะไม่ต้องสงสัยส่วน อัลลอฮฺจะให้อภยัยหรือแม้กระทั่งบาปที่มีบทลงโทษอย่างเรอาจจะให้อภัยก็ได้นะไม่ใช่ว่ามีบทลงโทษแล้วต้องลงโทษร้ Allah อยละอลลอฮฺจะให้อภัยก็ได้หรือบาปที่มันไม่มีบทลงโทษแสดงว่าอัลลอฮฺจะไม่ไม่ลงโทษเลยเพราะมันไม่มีบทลงโทษชัดเจนนะไม่ใช่อนที่อาจจะไม่มีลงโทษเลยเนี่ยอาจจะเป็นบาปที่มีการลงโทษที่รุนแรงกว่าก็ได้ แต่การสะสมเงินโดยไม่บริจาคมีบทลงโทษที่ระบุในกุ ร, รานและระบุในสุนนะของท่านเดวิสันองค์ละที่ระบุในกุ ร, รานนี่สำหรับคนที่สะสมเงินทองและไม่บริจาคเนี่ยก็คือถูกเผาไฟนรกอะไรที่เงินทองนั่นนะถูกเผาไฟนรกแห่งยานน่มันก็คือ เอางเงินทองที่สะสมเนีย่ยไปเผาในไฟนรกเผานี่จนจนจนร้อนเลยใช่ไหมแล้วหน้าผากของพวกเขาและสีข้างของพวกเขาหน้าผากสีข้างของพวกเขาและหลังของพวกเขาจะถูกนาบด้วยมนด้วยเงินทองที่ถูกเผาในไฟนรกในภาชนะ ทองคาแล้วก็เงินถูกเผาในนรกแล้วก็มาจี้ที่นากจี้ข้างๆท้องที่หลังหนากทำไมอ่ะจี้ข้างจี้ที่สี่ข้างที่นาผากและหลังเขาบอกว่าคนน่ะยิ่งมีเงินนะยิ่งมีเงินนะยิ่งถ้าระดับแรกเนี่ย ยังมีเงินพอสมควรอ่ะนะถ้าคนมาขอเงินแล้วเขาไม่แล้วเขาไม่อยากจะบริจาคทํายังไงเอาหน้าเนี่ยหนีอหนีคนจนมาเลยมาคกูไม่อยากจะบริจาคเอามาแล้วมานีเอาหน้าไปหนีเนี่ยะะเอาเอาเอาเงินที่สะสมนีม่มามาจี้ ท, าาที่หน้าเขาใช่ไหม แต่ถ้าถ้าเยอะหน่อยจะจะหนีหนีแรงกว่านี้หน่อยอันนะั้คือหันด้านข้างเลยอ่ะมันไปด้านข้างเลยแต่เห็งก็เอาข้างเอาสีข้างนี่มาจี้แต่ถ้าแบบเสียมารยาทเลยอ่ะนะหันหลังเลยเอออันนี้ก็มีจริงถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือมาอะไรอนะันน้หนีเลยนะนี่หันหลังให้เลยนะไปเลยอันนี้ก็เอาเอาไฟมาจี้ที่หลังในที่เหตุผลที่โอละมาเขาบอกว่าทำไมจี้ตรงนี้ทำไมไม่จี้ตรงอื่น เรไม่จีท้ทีเท้าทำไมไม่จี้ที่หัวเขาอะไรเงี้ยจี้ในส่วนของสรีระที่มันเป็นวิธีการวิธีการหนีการบริจาคหนีบริจาคด้วยด้วยส่วนเอาว่าเนี่ยอ น, นี้อันนี้เอามาถูกลงโทษเอามาถูกถูกจี้ไฟนรกเอามาน้าบด้วยมันด้วยด้วยเงินสะสมนี่แหละ ฮาลันุมอัมฟุิุมนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองสะสมไว้ตัวเอง่นวจะช่วยได้ใช่ไในวันเทีย่ยวสะสมเงินแล้มาดิบรุกรเรื่องนี้มันต้มันต้องสร้างความสํานึกว่าเงิน เงินที่เราสะสมเนีย่ยยิ่งครอบครองนะมันยิ่งเสี่ยงยิ่งร้อนตัวสำหรับสำหรับผู้ศรัทธาสาหรับผู้ศรัทธาผมเล่าเรื่องท่านอบูซ์ที่ท่านมีทัศนะว่าเงินไม่ใช่ไม่ใช่มีเงินแล้วบริจาคแล้วจะจ ะ, จะสิ้นเรื่องไม่เงินที่เหลือเหลือจากความต้องการอันนั้นเอาไว้ก็ไม่ได้ เอาลราจะใช้อะไรก็ใช้ไปแต่ถ้ายังเหลือนะต้องบริจาคเอางั้นน่ะมหาวิยทยาลัยมิสุฟยานน่ะเขาดีกว่าท่านอบูซันนี่ก็แค่์พูดอย่างงั้นน่ะเพ้อเจอเว้อรพูดเว้อก็ลเลยทดลองส่งคนพร้อมเงินเป็นแสนเดือนหักมาบอกว่านี่ท่านอมบูท่าน ท่านผู้ว่ามาเวียนี่ฝากมาให้ท่านแล้วอันนี้ช่วงเชา้าไปให้ช่วงเชา้าช่วงบ่ายนี่มาบอขอขอโทษจริงๆคดีเงนินนี่เนี่ยท่านเขาผิดเขามันจะให้อีกคนนึงแต่ผมจะพลาดมาให้ท่านบอกว่าอ้าวไม่บอกเงินนี่อูแจกไปหมดแล้วคือเขาอยากจะทดลองดูอบูซาร์นิเวรอร์มันเป็นอุดมการณ์จริงๆบอกคนว่าจริง เงินนี่เขาไม่เอาไว้เลยนี่เงินมาเป็นแสนอย่เงี้ยไม่กี่ชั่วโมงนี่แจกไปหมดเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยวัฒนธรรมเรื่องนี้เนี่ยสมัยท่านแตบีลาโซบานี่เป็นเรื่องธรรม า, าแต่ในอังกฤษช่หมว่าเอาเย่เคยฝากให้นาน้ในช่งเดือนรอมอช่ว ง, ง, ง, ง, งที่นางถือสินอดเนี่ยถ้าถือสินอดสี่หมืนดิรามสี่หมื่นดิรามนี่ไปน้องคูนี่ดิรามนี่คูนไปเลยนะห้าบาทห้าร้อกว่าบาท เท่าไหร่นะสี่หมื่นห่งล้านหนึ่งอะได้ไหมห้าร้สองล้านดิสองล้านสี่หมื่นคุณหร้อยังก็2สองล้านแจกเลยแจกแจกแจกหนงจนหมดช่วงคำ่ำท่นเองไอชาก็บอกกับคนชายที่ไปแจกตังนี่บอกว่าอ <c oughs> า, า ห, หารแก้บวชไหมอาหารเราเสิยหนว่าไม่มี ม่งแฮบี้เอ้าแล้วไม่บอกละตอนนี ad, 79, ker, ้ม uh, ีเงินมาแจกแต่ทำไมไม่บอกล่ะรืเป็นว่าท่านจะทำมาแต่ก่อนนู่นน่ะท่านนบีสุลต่านและละมาดเข้าละมาดฟัดูลยนีบนอิมามลนะออกจากละมาดออกจากละมาดซามากรอนี่ออกจากละมาดนี่ก็อย่างนั้นรอท่ีก็ เข้าบ้านแล้วก็กลับมาท่จะมีทําอะไรเพราะว่าฉันนึกทองคำวิจํานวนหนึ่งกันได้เกรงว่าจะเสียชีวิตแล้วก็ทองคำหนึ่งอยู่ในบ้านฉันเลยรีบไปพิจารณสังงงส่งให้คนแจกซะเป็นวัฒนธรรมอะไรที่มันเหลือมันเกินความที่ทเราต้องการเลยนะบริจาคไปซะข้าอะไรเพราะมันจะมันจะร้อนตัวเนี่ย มันจะเป็นภัยสำหรับเราถ้าเราถ้าเรามตสะสมอย่างเดียวฉะนั้นฝากไว้กับพี่นนองมีเงินอะไรเนี่ยเราสะสมเงินเพื่ออะไรนี่ได้เก็บเงินไว้ไว้รักษาเก็บเงินแต่มันมันมีเหตุผลไงเก็บไว้เงินรักษาเก็บไว้เผื่อจะเกิด อ, อะไรตรงนี้เก็บไว้อาจจะสร้างบ้านเก็บไว้จะไปทำาได้้ของเงนีได้แต่ที่มากกว่านั้นล่ะ อันนี้ไว้ทำไมอ่ไม่รู้ก็บงั้น่ะถ้าไม่มีความจาเป็นจริงๆนันละพี่น้องพยายามสหบาศเนี่ยขอรับนโยบายจากท่านนบีเนี่ยดุนยาเนี่ยเรายิ่งหนีดุนยาเนี่ยดุนยาเนี่ยยิ่งไล่ล่าเรานะยิ่งวิ่งหาตามเรานะแต่เราเนี่ยยิ่งวิ่งตามดุนยานีดุนยานี่มันยิ่งวิ่งหนีจากเราสตังเนี่ยนันะ เรายิ่งหนีสตังนะสตังมันก็จะมันก็จะตามเรามาแต่ถ้าเราตามสตังนินวิ่งตามสตังน่ะสตังมันก็จะหนีนี่เป็นกฎเกณฑ์ในชีวิตเราไม่เสียหายนะจ้าว่าเราไม่ไ ม, ไม่วิ่งตามไม่ถึง ม, มันไม่เงินมันมาก็เออทมดูแลไม่มานี่คือเฉยเฉย อยาเป็นคนที่โอนถ้าไม่ได้เนี่ยก็แค้นไม่ได้นี่ก็เจ็บปวดไม่ได้เนี่ก็ก็ไม่ได้ต้องเอาเรื่องหาเรื่องพยายามเฉยเฉยที่สุดและที่ควรจะเฉยที่สุดนี่นะครับถ้ากูทากว่าเรานี่ยมั่งคั่งอยู่แล้วหมายงว่าเรามี ไ, ได้ได้ดีเรามีเงินดีนะแล้วก็คนมายืมเราต้องเข้าใจนะวัฒนธรรมอิสลามเนี่ยเรื่องการยืมนี่ก็คือ <c oughs> ช่วย การให้ยืมนี่เนะี่ยมันเป็นมันเป็นครึ่งหนึ่งของบริจาคฉะนั้นท่านติวคนที่บริจาคคนที่ให้ยืมเงินก้อนหนึ่งอะนะเขาได้ผลละบุญบริจาคครึ่งหนึ่งของเงินยืมอะให้เขายืมไปพันหนึ่งเท่ากับเราบริจาคไปห้าร้อยเรียบร้อยแล้วแสดงว่าการให้ยืมเนี่ยมันเป็นการทําบุญทวงได้ไม่ได้เมื่อไหร่จะคืนอาภงนี้เอาได้มาอาภงนี้ คือถ้าเราไม่เดือดร้อนมาว่งนี้เดืออาทิตย์หน้าไม่เป็นไรถ้าเราไม่เดือดร้อนนะนะก็ปล่อยเล่ ค, คุณอ่านก็ส่งเสริมในเรื่องนี้ส่งเสริมในเรื่องนี้แต่เป็นเงินของเราถ้าเป็นถ้าเป็นเราแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรนะก็เราก็อย่าไปอย่าไปวิ่งเต้นวิ่งเต้นตามเขาทําไมอะ่ะเพราะมันจะมันจะติดนิสัยสะสม เออถ้าเรามั่งคั่งถ้าเราไม่เดืร้อนน่ะถึงที่บอกนะเออแต่ถ้าเราจะร้อนเนีย่ยนี่ก็ว่ากันอีกทีหนึง่งถ้าเราเงินตรงการจริงๆแล้วเขาเอาเงินของเรายืมกันของเราแล้วก็หลังเลอยู่นั่นอ่าอันั้นอ่ะเอาเรื่องกับเขาได้แต่ถ้าหกว่เราไม่เดืร้อนนะ่ะนะก็อย่าไปเอาเรื่องกับอย่าอย่าไปเอาเรื่องกับลูกหนี้ทาไมอ่ะเพราะเกรงว่ามันจะติดนิสัยคนนี้ชอบสะสมเงินคนคนที่ คนที่มีนิสัยสะสมเงินนะนะมักจะมีนิสัยมีความสุขในการทวงหนี้คนที่มีนิสัยสะสมเงินนะนะจะมักจะมีนิสัยทวงทวงหนี้ชาวบ้านเขาเฮียไอไม้มาเฮ้ยไอ้ทั้งทั้นที่ตัวเองก็ไม่เดรอนขอยืมไปันสองพันแต่ตัวเองมีสองพันล้านอย่างนี้เรไปทวงสองพัน วัฒนธรรอิสลามนี่วัานธรรอิสลามนี่นะให้ให้ผ่นอนปรนให้ให้อภัยมีคนรวยคนหนึ่งนะไม่ได้ทําความดีละมุงละหมาดอะไรนี่บาปก็ทำไว้เยอะแต่วันกียร์มาเนี่ย Allah ให้อภั ย, ย, ภยนะี่ฮะดีสอับดุลเลาะห์ a l l a ให้อภัยให้อภัยหมดเลยว่าอะไรโอ้ว่าเป็นเจ้านี้คนหลายคน แล้วเวลาลูกน้องเขาเนี่ยเาไปทวงหนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครเดือดร้อนก็ไม่ต้องใลรอบไปเขาไม่ต้องยกหนี้ให้เขาแค่นี้แสดงว่าเขาไม่มีนิสัยสะสมเงินไม่มีนิสัยวิ่งหาตามเงินทองเรื่องแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้จากประสบการณ์ ือถ้าเราไปถามคนรวยคนทำธุรกิจคนเก่งคนเงินนี่นะสำคัญที่สุดนะต้องดูแลให้ดีนะต้องผ่านผ่าน้านามาเยอะเลยนะยาบยน <c ười> คนที่ประสบการณ์นี่ก็จะก็จะโฟกัสส่เออเราต้องเราต้องฉลาดนะาอย่าเป็นคนโง่นะแต่มีแต่คำสั่งสอนอิสลามนีที่จะให้เราเนี่ยมองเงินแบบ เปสิ่งที่ไม่มีค่ามีค่าก็ได้นะแต่ไม่ใช่ค่าที่มันเหนือกว่าอย่างอื่นหรืไม่ใช่และนี่คือส่วนหนึ่งที่อสลาวนี่มาลำดับคุณค่าของบางสิ่งบางอย่างศาสนานี่มาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องศีลธรรมเรื่องคุณธรรมเรื่องเรื่องการเคารพให้เกียรติพ่อแม่ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้าวุโอาจารย์เรื่งเคารพในในจรีตประเพรมในวัฒนธรรมนีนมารยาทต่างๆ วัตถุใ น, ในอิสลามนี่ก็จะมามาที่หลังเลยที <c oughs> <c oughs> แค่คิดภาพนึกภาพในสังคมสังคมทั้งหมดเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับเสง้อตัสังคมนี่มันจะน่าอยู่ขนาดนันแต่ทุกวันนี้นี่มันเป็นยางไงทุกวันนี้นี่มันอะมาการะ์สุมเรียมผู้ิกุที่ได้สะสคมไว้เพื่อเพื่อตัวของพวกเจ้าเอง คนส่วนว่านี่เก็บตังค์ให้ตัวเองแต่ที่จริงเนี่ยเขาลืมว่ะกระฝันนี่มันไม่มีกระเป๋าเนี่ยเขาลืมว่ะในกูโบเนี่ยไม่มีตู้เซฟปลายที่ไหนก็ตามมานะันไม่มีเขาไม่ให้ไ ม, ไม่เอาตู้เซฟไปด้วยพวกพวกอีบโบราณนะสมัยโน้นนะ่ะโอโหกู โ, โบของเขา้าสุสาน ข, ของเขาเนี่ย สะสมทรัพย์สมบัติทั้งหลายเงินทองทั้งหลายนั่นมาเก็บในกุโบเขาบอกว่าพอฟื้นคืนชีพเนี่ ย, เ ด, ยเดี๋ยวเอาเงินนี่ไปใช้สุดท้ายโจเนี่ยปนหมดเลยไม่เหลือเลยกุโบของสุสานของอีมเนี่ยปนหมดเลยไม่เหลือเลยมันจะเหลืออะไรคนเรานี่ยทำไมเข้าใจในความตายนี่คืออะไรเนะี่ยก็จบเลยนะเขาเล่านะเป็นเรื่องเล่านะ คนโดยคนหนึ่งเป็นนักเป็นคนขี้เหนียวมากเนี่ยเก็บเงินทองเก็บซะเยอะเลยพอใกล้จะตายเลยเนี่ยเสียดายอย่างเงิน <c oughs> เก็บไปทั้ชีวิตเนี่ยเงินทองนี่ยุกมากเลยอะ่ะแล้วก็เลยสั่งลูกน้องแล้วถ้าเขาตายแล้วนี่ผ่าท้องแล้วก็เอาเงินที่เก็บนี่ไปยัดยัดท้องหมดเลยลก็เย็บนะแล้วก็ฝังเขาก็ทําตามนั้นเลย ตายหรืผ่าตอกนคนที่รู้เรื่องนี้ในคนเดียวก็คือคือลูกน้องคนหนึ่งที่เขาทาเนี่ยเราให้ฝังเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วคนก็เพราะคนเราเนี่ยคนที่ตายนี่ไม่มีหรอ <c oughs> ไปเฝ้าทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยไม่มีหรอกไอ้คนที่ไปเฝ้ากูโบนี่อ่านกูโบนี่อันนี้เขารับตังนะคือถ้าไม่มีตังเขาก็ไม่ไปนะไอ้ที่เขาไปกางเต้นแล้วกับ อ่านกูอ่านกันอาทิตย์หนึ่งสี่สิบวันนี่อันนี้ต้องมีตังค์นะต้องจ้างเขานะที่ถ้าไม่จ้างเขาเขาไม่ไปอยู่แล้ะใครจะไปอยู่ในกูโบว์อ้วจะได้รอให้คนไปเสร็จแล้วอนะ่ะนยแกก็ไปแล้วก็ไปขุดผ่าทองอีกทีหนึ่งเอาเงินทองบนไปหมดเป็นอย่างนี้อันนี้คือนี่คือกฎกฎของชีวิตหนีไม่พ้นนะ่ะถ้าเราไม่เข้าใจความตายนี่มันคืออะ เราจะทิ้งเงินไว้ให้ลูกหลานใช้นี่พอได้แต่เราจะลืมเราเราไม่ต้องทำบุญเราไม่ต้องทำความดีเราไม่ต้องช่วยเหลือคนอื่นเราจะได้เก็บไว้ใช้ให้ตัวเองจะให้ลูกหลานใช้อย่างเดียวอันนี้ไม่ฉลาดเลยไม่ฉลาดเลยคนที่ทำให้ตัวเองทำให้คนรอบตัวเฉพาะในโลกดุนยานี้ เราไม่เราถ้าเราไม่เข้าใจว่าความดีเนี่ยความดีที่เราสะสมเนี่ยมันก็มีบุญว่าสนานี่มาถึงเราทั้งในโลกนี้แล้วก็นในโลกหน้าอุปาธิเหตุที่อัลลอฮ์กำหนดที่อัลลอฮ์กาหนดให้เราต้องประสบเนี่ยถ้าเราทําบุญบางอย่างนี่มันอาจจะเป็นเหตุที่อัลลอฮ์ะจะให้เปลี่ยนเปลี่ยนกฎสภาวะนี้เนี่ยให้เรารอดบุญว่าสนาของเรา ไปถึงลูกหลานของเราลูกหลานของเราในประสบกับความเดือดร้รอนแต่มีคนมาช่วยเพราะอะไรบุญวาสนาดีแหละที่เราได้ทำไว้ความดีที่เราได้ทำไว้อย่าลืม่งมันย่ำไมันเายดํลลวัญไปในอุรคนดีทําความดีเนี่ย มันจะไม่สิ้นสุดซึ่งการตอบแทนของมันของความดีไม่สิ้นสุดความดีเนี่ยเราจะตอบแทนมาเรื่อยๆในตัวเราหรือในคนรอบๆเราลูกหลานของเราจะมาเจอความดีในเรื่องสุขภาพดีที่เราจะให้มาในเรื่องอัธยาสายัยอารมณ์สภาพจิตใจที่เข้มแข็งคนเจอปัญหาคนถ้าไม่ใช่เราเนี่ยเจอปัญหาเหมือนปัญหาที่เราเจอเนี่ ถึงขนาดที่อาจจะต้องเศร้าค่าตัวตายแต่เราจะไม่ให้เรามีความสักอันนี้ก็ น, นี่คือการตอบแทนจากความดีที่เราได้ทำไว้เรื่องนี้มีความเสมอภาคนะไม่มีตังก็ทำบุญได้เพราะในศาสนาเนี่มีกฎชดคนที่ไม่มีตังนะทำความดีอย่างอื่นที่มีค่าเหมือนบริจาคในในอิสลามมีหลายบทที่พูดถึงเรื่อง ใครที่ทำเป็นโซนอโก้ใครทำแบบมีเป็นโซนอโก้ใครนำแบบมีเป็นโซนอโก้ทเป็นโซนอโก้หน่่งกันเท่ากับบริจาคโซนอโก้ใช่ไหมไม่มีตังจะบริจาคทําอะไรพูดดีไม่มีตังจะทําอะไรระงับความชั่วเท่ากับบริจาคเท่ามีความเท่าเทียมเรื่องบริจาคแล้วก่อนจะลืมนะเขาบอกว่าลงโทุนของคนนี่ไม่ได้ม่ด้ออกจากการนี่เดียวในคุีอ่านนี่ก็คือเอาเงินทองนี่ มาเผาในร่มนี่แล้วก็จี้นะจีนะผาจีาจ้สีข้างแล้วก็หลังใช่ไหมแล้วก็ในคดีสองทันนวีที่มัลติุคอรีคนนี้ไม่ได้ออกสาการี่ว่าทุกฝังงในกูโบเนี่ยอยู่มัสเตลูและฮูชูเาอุมอักราเงินที่มาไดบริจาคสักการเนี่ยจะถูกแปลงร่างให้เป็น งูพันนบีเรก่านสุญญออักราสุญญ์แปลวางูงูท่านพวกงูที่มันที่มันกล้าสู้กับคนนะอักราเนี่ยอักราเนี่ยสมัยอาหรับเนี่ยงูงูเหา่าที่สีสันนี่มันแบนอักราแปลว่าหัวลาว้านหัวโลนสุญญ์เนี่มันเป็นฉายาของงูพันหนึน่งชนิดหนึง่ง ความกล้าหาญของมันเนี่ยก็าบอกว่ามันยาวแล้วก็มันกล้าที่จะสู้ถึงขนาดที่มันไอ้งูงูเห่านี่มันจะชอบยกตัวใช่ไหมงูบางชนิดนี่มันจะสูงมากว่าสูงมันจะขึ้นสูงความสูงของมันเนี่ยเท่ากับคนเนี่ยอันนี้บอว่านี่ไอ้งูชนิดนี้เนี่ยไอ้งูดุตัวนี้เนี่ยเงินทองของเราที่ไปอยู่อสการเนี่ยมันจะถูกแปลงถูกแปลงเป็น เป็นงูเขาแล้วงูนี่มันจะมีไม้ค้อนคนในโกโบนี่พอเห็นงูนี่ก็ตกอกตกใจแล้วเองเป็นใครเนี่ยคนตาย่ินะคนที่อยู่ในโกโบนี่จะถามงูเป็นใครอะมานันต์จ้ะไปพูดอานามาลุกฉันนี่นะทรัพย์สินของตัวเองนี่แหละแล้วก็จะเอาไม้ค้อนนี่ตีศีรษะเนี่ยจนจมไปในดิน จมเป็นดินอันนี้ก็อีกบทลงโทษที่อยู่ในหะดีษนะอันนี้อยู่ในคุตอ้นที่ เ, เอาเอาเงินทองนี่มาจี้นี่นะอันนี้ในคุตั้นงูนี่อันนี้ในฮะดีษทุท่านอลยพิสจน์จึงให้เห็นว่าการไม่ออกอากาศไม่บริจาคอากาศสำหรับซาบซึ้งนี่ถือว่าถือว่าเป็นบาปใหญ่ คุณละมาได้บอกว่าบาปนี่มีบาปเล็กบาปใหญ่จะรู้ยังไงอ่าวาบาปนี่มันจะเล็กหรือจะใหญ่บาปที่มีบทลงโทษที่เจ็บแสบที่รุนแรงนะนั่นคือบาปใหญ่แต่ไม่ออกสกาดนี่เหมือนไม่ละหมาดเป็นบาปใหญ่แล้วมาเทียบแล้วนี่ระหว่างละหมาดกับสกาดนี่อันไหนสําคัญกว่าละหมาดและถ้าขณะที่ไม่สากาัดดิบทษมันจะอย่า ง, งี้ถ้าไม่ละหมาด โทมันยิง่งเนี่เทียเทียอย่างนี้ทำไมอ่ะเพราะการละหมาดไม่มีบทลงโทษชัดเจนเนี่ยที่ผมบอกตอ น, ต, อ น, ต, อนต้นต้น้วคนไม่ละหมานี่มีบทมีมีบทลงโทษเหมือนเหมนาานอนราชกนอจะรยว่าคนนี้ไม่ละหมาดมีเหือลงโทษอนะ่อันนี้หร ป, ปาที่ทาให้เราได้เห็นนะ่คนนี้ไม่ละหมานีเยอะหมเยอะ คนนี้ไม่ละหมาดแต่มีเงินแล้วก็บริจาคสกาดมีไหมมีเออพออันนี้แล้วบอกพอเขารู้ว่าเออการไม่ละหมาดนี่ไม่มีบทลงโทษชัดเจนแต่การไม่ออกสกาดนี่มีบทลงโทษจีบเสร็จชัดเจนแบบนะี้เนี่ยเขาก็เลยออกสกาดซึ่งอันนี้ถือว่าคาดเคลื่อนแน่นอนคือ ถ, ถ้าเข้าใจอย่างนั้นอะมันคาดเคลื่อนแน่นอนบทลงโทษน่ากลัวกันอั้างนั้นนะไฟนารบนี้ แค่รู้อัลลอฮฺ سبحانه จะลงโทษในแฟนไฟนอลรอบนี้มันมีบทลงโทษหลายอย่างหลายหลายรูปแบบวระรุกูมาคุ้นตุมตังในซุนดังนั้นจงลิมรถสิ่งที่พวกเจ้าสะสมไว้เถิดนี่เป็นกฎเกณฑ์นะวลาด้กลัวจะเร่าอุบินยินศล้าการลงโทษตอบแทนนี่มันจะสอดคล้องกับการกระทำทำอะไรไว้การลงโทษนี่มันก็จะในรูปแบบนั้น สะสมเงินไม่ได้โว้ยจากสกาดนี่นี่แต่ลิมการลงโทษจากสิ่งที่เราได้สะสมไว้คุณละมาได้บอกว่าการลงโทษเนี่ยมีทั้งดุนยามีทั้งในกุโบมีทั้งในอัคราการลงโทษในดุนยาก็เหมือนกันลิ้มบทลงโทษในดุนยานี่นะในสิ่งที่เราได้กระทำ สิ่งที่เราได้สัสุคนที่ทำบาปกับพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายร่างกายทำร้ายสภาพจิตใจถูกถึงโทอยังไงเจอกันลูกทำไม่ดีต้องบัตรตัวนะอยู่เจอกันลูกโอ้ใครในสังคมเนีก่กะว่าเคยทาไมคนนี้ลูกเขาไม่ดีกับเขาเลย กูรู้กามั น, นไม่ดีกับพ่อแม่ถ้าไม่ได้เตบ า, าตัวเี๋เดีด๋ยวก็เจอกันลูกคนหนึ่งไปทำร้ายเมียภรรยาทุบตีเพราะอะไรพ อ, ไ ป, อ, อนนไปชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงก็เลยยุบให้เขานี่เกียด เมียคนแรกกันเนี่ยก็ไปทุบตีเข้าไปอะไรมีลงโทษไมในโลกดีเนี่ยนี่ดูเจอกับเมียนี่แหละเมียที่ที่เข้าไปไปฟังแล้วก็ไปทุบตีเมียคนคนแรกนี่นะเดี๋ยวก็เจอกับเมียคนนั้เรื่องนี้ได้ยินมาเยอะอายุป่านนี้แล้วโอ้โหได้ยินแต่ลองนี่ไอเรื่องไอเรื่องเทสเมียนี่ไปทุบตีเมียสุดท้ายเนี่ไอเมียน้อยนี่มาทุบตี สามีคนนี้โดนตุ้ดงทักาลจาาอุมินจินสิลมานการลงโทษการมันจะสอดคล้องกับกับความผิดที่ได้ทำไว้สอดคล้องผู้นำอธรรมชาวบ้านไปดูดิชาวบ้านที่เขาเจ็บปวดแค่ไหนเนี่ยเนี่ยไอ้ผู้นำคนนี้เนี่ยต้องเจอความเจ็บปวดในชีวิตต้องเจอ มีพ้นนะเยอะแยะเลยในโลกดุนยานิสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องทำ จ, จะได้หลีกเลี่ยงการลงโทําอะไรหนึ่งทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่ที่บาปให้เลี่ยงให้ ม, มากที่สุดบาปนี่ต้องเลี่ยงทั้งหมดเลยนะใ ห, ให้หมดเลยแต่ถ้ายังไม่หมดละ่ะพยายามใ ห, ให้กวาดลา้าง เอาบัตรตัวกวาดล้างขอพระยะโทษไปอย่าให้มีอะไรตกค้างโดยเฉพาะฝากว้กับพวกเราโดยเฉพาะอะไรทีมันเป็นสิทธิของมนุเป็นอันขาดบาประหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่พอไหวแต่สิทธิระหว่างเราอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ไม่คยเอาเรื่องกับเบาแต่มนุษกับมนุษย์นีก่นกันน่นนู่มีมีใคนุษย์กับมนุษยนี่ เอาถึงที่สุดก็้ามีสิทธิตกค้างระหว่างเรากับพี่น้องอะนะไม่รอดหรอกวันเกียร์ไม่รอดชั่วเนี่ยไม่รอดแล้ ว, วันเกียร์ย ม, ราย ม, มาทุกคนเนี่ยนับสีนับสี่ตัวใครตัวมันชน ด, ด้วยอะไรอะชน ด, ด้วยความดีชน ด, ด้วยเอาความดีมึงม า, มาหมดแล้วความดีเอาความชั่วกูไปแล้วอย่างนี้อย่างนี้ไม่คืออ๋อบังหมัดอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> นี่สิคกานกนารนัยนนันดวยันกียร์มันนี่เอาขี้ลาวีวันอีดบางตวมลีบางตันดูอีพนันสันอีันนีน้นวันเกยมาจะเป็นศัตรูกันเฮ้ยเป็นเพื่อนเงนเฮ้ยเคยมีงนอย่างงี้งนไม่มีหรอกตัวใครตัวมัแล้ววันกยมาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดงานประกาศนี่มันเป็นสีระหว่างเรากับอัลล์เนี่ยไม่ใช่ เพราะสกานี้มันมีหักบุญกีรเศรษฐีของคนียากจนด้วยฉต่ท่นคู่กรณีของคนที่ไม่ได้ออกสการนี้ไม่ใช่เอาน้อยฮะคู่กรณีของเราเนี่ยคือคนจนคนจนนี่เขาจะมาเรียกร้องสิทธิของเขาอยู่สการแล้วมีออกสการ์ี่มีเงินเยอะแแล้วก็ไม่เคยมาช่วยเราเลยนี่น่ะคู่กรณีของเราโดนเกียนอ้ยาต่อมานี่มันเป็นอ้ที่มี นะอธิบายตอนแรกลยว่าจะพยายามครั้งละสองอายะสออายะนี้มาเจาออายะนี้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินอิสลามเลยนะโดยที่ อ, อธิบายอันนี้เรื่องที่สนุก ม, มากเรื่องปฏิทินอิสลามแล้วก็เดือนที่ต้องห้ามเนี่ยเป็นอยายะที่สำคัญมากมีเรื่องประวัติศาสตร์มีเรื่องดาราศาสตร์มีเรื่องหลายศาสตร์เลย ก็เลยไม่กเมันเวลามันไม่พอแน่นอนก็คงต้องยกยอดนะครับไปอธิบายในอาทิตย์นั้นนะครับ่านลลฮุอะลััมอะลวะสลามอะลัยวะราะห์มุลลมีคถามหมมีอะไรที่ไม่เข้าใจไหมครับนีครชเื่องสั์าข้างเงินต่างที่เวลาไปออย่างเงี้ยครับข้างงที่มันเกินเนี้ยั เรากจ ไ, ไม่ไม่หล่อเมีย่ยเนี่ยที่มันเป็นการเอารัดเอาเปรียบเนี่ยก็คือส่วนต่างที่ไม่มีเหตุผลเช่นเอาข้าวหนึ่งกิโลมาแลกด้วยข้าว2อกิี่ไม่มีเหตุผลท้องค้ำหนึ่งบาทจะ ต, ต้องค้ำบาทหสลึงอย่างเงี้ยอันนี้เป็น ดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์จะให้แลกหนึ่งดอลลาร์กับหนึ่งบาทเหรอเป็นไปไมได้พรอมูลค่าของหนึ่งบาทเอาหนึ่งบาทเอาหนึ่งดอลลาร์นี่เรซื้อผัดไทยก็ยังได้ก็ยังกินได้ผัไทยเอาหนึ่งบาทนี่มาซื้อผัดไทยได้ไหมไม่ได้แสดงว่าถ้าเราแลกหนึ่งดอลลาร์สามสิบาทอย่างเงี้ยเออมันมีเหตุผลความต่างกันเนี่ยมันมีเหตุผลอันนี้ไม่ใช่ดอกเบี้ย สิ่งที่มันไม่มีเหตุผลเอา้าให้ยืมไปร้อยหนึ่งคืนมาร้อยยี่บเหตุผลเืออะไรเือกูรออย่างเดียวอันนี้ไม่มีเหุผลเพราะฉะนั้นลงทุนน่ะเพระลงทุนกันบางซี่ล้านหนึ่งแล้วก็มาแบ่งกําไรกันไอ้ส่วนเกินนี่ไม่ได้ก็ดอกเบีย้ยทําไมอย่างมันมีเหตุผลในการร่วมลงด้วยกันมีความเสี่ยงด้วยกันเนี่ยมันมีเหตุผลส่วนเกินนะ แต่ส่วนเกินที่ไม่มีเหตุผลนอกจากเวลาอันเนี้ยอันนี้ก็รบาจะเป็นรีบารนซีอนซีอนีเนียริบาเวลาแค่แค่ยืดเวลานี่ย น, น, นยืมไปแล้วล้านหนึง่งจ่ายมกราได้มาถึงมกราไม่มีจะจ่ายได้เดี๋ยวเลื่อนใหอีกสองเดือนวนเมษ า, านุ่นแต่เพิ่มอีกแสนหนึ่งนได้จ่าน่เหตุผลเกิเหตุว่าคือเลื่อนอย่างเดียวยก็เลยริบารนซีอ่รบารบาเลื่อนเป็นบเวลาเลื่อนเวลา เมื ga, oh, ่อกี้ผมวางบานโทรมาผมปิดผมอัพเพืนเช็กแลกมีน้องเลยที่ว่าอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพอที่นี้ที่นี่ขพอเข้าก็ปิดปิดเสียงมือถือได้เครับไม่เป็นไรครับแล้วก็เราแค่ได้สองตีครับใช่จังปิดเลยไม่เป็นไรครับเห็นใจเห็นใจมืถือนี่ดีที่สุดนี่นะผมเนี่ยเคย ผมนี่เป็นคนที่พลาดน้อยมากเลยนะตลอดนี่พี่บรญญายแงไงเลยพลาดพลาดน้อยมากแต่ผมมี่แบนี้การาพลาดนี่ก็คือเป็นบัญญายผมไม่เอามาด้วผมไม่เอามาดื่มามาดื่มกลัวกลัวพลาดอ่ะเพราะว่าคือถ้าคนบัญญายี่พลาดนี่เราซาดูว่าชาวบ้านเขาเนี่ยโอ้โหถืออแล้วก็อ่างของตัวเองมันดังเสียดังสเสียงถ้าผมนี่ผมปกติจะปิดเสียงโดยเ ต, ตอนละมาตออะไรเนี่ยจะปิดเสียง ถึงจะมีมันก็จะไม่มีเสียงอยู่แล้วอันนี้ก็แนะนำเราอะนะเวลาไปไปแล้วมไปฟังบัญญาอย่างเงี้ยบางทีนี่มันมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นคาราโอเกะไปเลยเมื่อสิบนาบีเน่ยเคยผมเคยเจอเนี่ะโอ้โหนี่แต่และสารพัดเชื้อชาตินะ แล้วแต่ละช้อชาติกมีเพลงอ่ะ น, นี่ก็อินเดียก็มีเพลงของเขาอันนี้ก็ <laughs> เพลงฝรั่งในมัสยิดของนบีนี่นะเสียงตัวระดับนี่พอดังแล้วก็อ้ไม้ของเขานี่แรงมากมันดูดหมดเลยขึ้นหมดเลยจนมีช่วงหนึ่งไงใช่เขาใจบีนี่นอกจากว่าสุนทร น, านาบีเนี่ยยินตรงกันนะเปิดมือถือด้วยปิดมือถเด <laughs> <laughs> เดือนทุกเวลาละหมาเนะี่พผมมันไม่หวจริงๆนะมันเสียสมาธิไงนะ ตอนละหมาดคนนี้เป็นนิมมานมัสดียสัมมาทิเห็นใจนะท่านเ่ียงขึนนี่มีอะไรครับไปกดรับเลยครับแล้วก็กดอีกทีนร่กงกายเริ่มมันมีอะไรครับ